สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานครับในเช้าวันนี้เป็นเช้า ว, วันจันทร์ขอพระเจ้าอวยพระพรพี่น้องชลักทุกท่านในการเริ่มต้นทํางานในวันต้นสัปดาห์พี่น้องครับในเช้าวันนี้พระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมฮีบรูบทที่สิบสองนะครับพระธรรมฮีบรูบทที่สิบสองข้อที่เจ็ดถึงข้อที่สิบครับพระธรรมฮีบรูบทที่สิบสองข้อที่เจดถึงข้อที่สิบโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้า ถ้าทั้งหลายจงรับและทนเอาเถิดเพราะเป็นการตีสอนพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อท่านในฐานะที่ท่านเป็นบุตรของพระองค์ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่บิดาไม่ได้ตีสอนเขาบ้างแต่ถ้าท่านั้งหลายไม่ได้ถูกตีสอนเช่นเดียวกับคนอื่นๆท่านก็ไม่ได้เป็นบุตรแต่เป็นลูกที่ไม่มีพอ่ออีกประการหนึ่งเรามีพระบิดาเป็นมนุษย์เรามีบิดาที่เป็นมนุษย์ที่ตีสอนเราแต่เราก็รับถือบิดานั้นยิ่งกว่านั้นอีก เราควรจะอยู่ใต้บังคับบัญชาของพระบิดาหแห่งวิญญาณจิตและมีชีวิตจำเริ่ขึ้นมิใช่หรือเพราะบิดาที่เป็นมนุษย์ตีสอนเราเพียงชั่วเวลาเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั้นแต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าส่วนในวิสุทธิสภาพของพระองค์พี่น้องครับเราทั้งหลายมีคุณพ่อสองคนครับคุณพ่อในโลกนี้และคุณพ่อบนสวรรค์ ในขณะที่คุณพ่อในโลกนี้ตีสอนเราคุณพ่อในสวรรค์ก็มีโอกาสที่ตีสอนเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเตอนนี้บอกให้เราทั้งหลายทนครับทนการตีสอนเพราะอะไรครับเพราะว่าเมื่อพระเจ้าตีสอนเราแล้วชีวิตของเราก็จะดีขึ้นชีวิตของเราจะสวยงามขึ้นชีวิตของเราก็จะมีคุณค่ามากขึ้นและชีวิตของเราก็จะเป็นคนที่ใช้การได้ มีข้อเสนอเพิ่มเติมนะครับว่าการตีสอนนั้นเป็นสัญญาณที่บ่งบอกว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าครับถ้าพระเจ้าตีสอนผู้ใดแสดงว่าคนนั้นเป็นลูกของพระเจ้าผู้เขียนพระธรรมอีบรูนั้นได้อ้างถึงสิ่งที่เราทราบกันเป็นปกติว่าบิดาคนใดก็ตามที่รักบุตรของตัวเองต้องย่อมลงโทษบุตรของตัวเองเพื่อเห็นแก่ประโยชน์ของบุตรของตัวเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรารับการตีสอนประโยชน์เกิดจากเกิดกับเราครับประโยชน์เกิดกับเรา พระวิชาพ่อบิดาก็ทําเช่นเดียวกันเราโดนคุณพ่อคุณแม่ในโลกนี้ตีสอนเราโดนพระบิดาบนสวรรค์ตีสอนเราก็เพื่อประโยชน์ของเรานะครับในขณะที่พระเจ้าตีสอนเราก็เหมือนกับบิดาที่ตีสอนเราความเจ็บปวดวัตรรากลับสะท้อนไปถึงบิดาของเราด้วยนั่นหมายความว่าทุกครั้งที่พระบิดาบนสวรรค์ของเราตีสอนเราพระองค์ก็เจ็บปวดด้วยเหมือนกันถามว่าใครที่เจ็บปวดครับก็คือประเยชน์สุดขีครับ พี่น้องครับถ้าบิดาคนใดนะครับจะไม่ตีสอนเด็กแสดงว่าเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของบิดาครับไม่ใช่บุตรของตัวเองบิดาจริงย่อมตีสอนบุตรของตนอย่างแน่นอนพระเจ้าก็ตีสอนบุตรทั้งหลายก็คือพวกเราทั้งหลายนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีท่าทีที่ต้อนรับการตีสอนคำว่าต้อนรับการตีสอนนั้นมีความหมายว่าอย่าปฏิเสธนะครับควรจะต้องอดทน พี่น้องครับเพื่อชีวิตของเราจะดีขึ้นการตีสอนนั้นเหมือนกับเป็นการฝึกฝนครับเป็นการชําระให้บริสุทธิ์ทําให้ชีวิตของเรานั้นเป็นชีวิตที่งดงามน่ารักและบริสุทธิ์ในข้อที่เก้าครับพระมีบอกว่าอีกประการหนึ่งเราทั้งหลายมีบิดาตามเนื้อหนังที่ได้ตีสอนเราเราก็นับถือพระบิดานั้นยิ่งกว่านั้นเราควรยำเกรงรอบๆต่อพระบิดาแห่งจิตวิญญาณและจําริญชีวิตมิใช่หรือพี่น้องครับ ผู้เขียกําลังขยายความเพิ่มเติมนะครับเช่นเดียวที่บิดาฝ่ายเนื้อหนังเราตีสอนเราเราเคารพท่านเราควรได้รับเราควรได้รับเราควรได้ยําเกรงนะครับและนบนอกกับพระพิดาแห่งจิตวิญญาณของเราซึ่งจาเนินขึ้นทําให้ชีวิตของเราจาเนินขึ้นพอมีใช่คําว่าไม่ใช่หรือคําตอบก็ชัดเจนครับว่าใช่แน่นอนหากเรารับการตีสอนจากบิดาฝ่ายเนื้อหนังของเราและเราเคารพท่าน เราควรที่จะทำแบบเดียวกันกับพระบิดาบนสวรรค์นะครับมากยิ่งกว่านั้นอีกพี่น้องครับแท้จริงบิดานะครับของคนทั่วไปก็ตีสอนเพียงระยะเวลาชั่วคราวเล็กน้อยตามความเห็นดีเห็นชอบแต่พระเจ้าตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเราเพื่อให้เราได้เข้าสู่ในความบริสุทธิ์ของพระองค์ความเห็นดีเห็นชอบของพระเจ้านะครับไม่เคยผิดพลาดครับนั่นหมายความว่าเมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าตีสอนเรา นะครับและเราทนเอาและเรารับรู้ว่านี่คือการตีสอนจากพระเจ้าเราจะได้รับผลประโยชน์อย่างแน่นอนทางด้านร่างกายก็ดีจิตใจก็ดีจิตวิญญาณก็ดีพี่น้องครับเช่นเดียวกันที่บิดาบนโลกนี้ของเราทําโทษเราสุดท้ายแล้วก็เผยผลประโยชน์ของเราครับแบบเดียวกันครับพระเจ้าตีสอนเราก็เพื่อผลประโยชน์ของเราเราจะได้เข้าสู่ในความบริสุทธิ์ของพระองค์ในข้อ11ได้บอกกล่ว่าดังนั้นการตีสอนทุกอย่างนั้นเมื่อกําลังถูกตีสอนนั้น ก็ไม่เป็นที่ชื่นใจเลยครับพี่น้องวันนี้ผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงครับการตีสอนทุกอย่างเมื่อกำลังถูกตีสอนอยู่นั้นไม่เป็นที่ชื่นใจเลยแต่เป็นการเข้าใจเศร้าใจนะครับเป็นการเข้าใจแต่ภายหลังก็จะทำให้เกิดผลเป็นความสุขสาราญแก่บรรดาคนที่ต้องถนเอานั้นก็คือเกิดความชอบธรรมพี่น้องครับไม่มีเด็กคนไหนชอบถูกตีนะครับแต่ภายหลังการตีนั้นทาให้เกิดผลประโยชน์ ทำให้นำความสุขสารลัยความเจริญมาถึงเด็กๆที่ถูกตีเพราะฉะนั้นเช่นเดียวกันครับในภายหลังก็จะทำให้เกิดผลความสุขสมบูรณ์มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์แก่บรรดาคนที่ต้องทนอยู่นะครับก็คือคนนั้นนั้นมีความการเพิ่มเติมของความชอบธรรมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆการที่บิดาของเราตีสอนเรามักทำให้เราทำสิ่งที่ถูกต้องในอนาคตจุดประสงค์ที่พระเจ้าตีสอนเราก็คือ เพื่อหันเราเข้าสู่ความชอบธรรมชันใดฉันนั้นครับพี่น้องครับพระเจ้าตรีสอนเราเพื่อให้เราหรือชีวิตของเรานั้นหันเข้าหาความชอบธรรมได้รับได้รับความชอบธรรมนอกจากนี้แล้วนะครับความชอบธรรมก็ยังก่อให้เกิดสันติสุขครับพี่น้องความชอบธรรมนั้นนามาซึ่งสันติสุขในสยามบทที่สมสิบสองข้อสิบเจ็ดชัดเจนครับการทําสิ่งที่ถูกต้องไม่ว่าจะกับใครหรือโดยใครก็ตาม ย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันเปี่ยมด้วยความสุขและสันติสําหรับทั้งสองฝ่ายในทางกลับกันครับการไม่ทําสิ่งที่ถูกต้องกับใครหรือโดยใครก็ตามย่อมสร้างปัญหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้พี่น้องครับนี่คือสัจธรรมความจริงในวันนี้น้องหลายจะต้องให้เกิดความชอบธรรมในชีวิตของเราโดยการอดทนต่อการตีส้อนนะครับความชอบธรรมนั้นก็เป็นความบริสุทธิ์ก็ทําให้นํามาซึ่งสันติสุขครับ และการทําสิ่งที่ถูกต้องนะครับย่อมก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยสันติสุขทั้งทั้งสองฝ่ายทั้งทางทั้งผู้ที่ทําและผู้ที่ถูกกระทําพี่น้องครับทําสิ่งที่ถูกต้องครับไม่ว่ากับใครหรือโดยใครนะครับก็จะทําให้เกิดสันติสุขประเด็นสําคัญของวันนี้นะครับก็คือว่าเมื่อพระเจ้าตีสอนเราอย่าท้อใจครับพี่น้องแต่จงมีความมุ่มานะปินพยายาม และให้ผ่านการทดลองและการตีสอนให้ได้นะครับอย่าคิดที่ยอมแพ้เลยครับนะบเพราะเรารู้ว่าสุดท้ายแล้วการตีสอนนั้นก็เพื่อผลประโยชน์ของเราเองพระเจ้าอาจจาเป็นต้องใช้สภาพการแวดรับต่างๆที่จะทําให้เรานั้นได้รับการฝึกผลครับเพื่อดึงความสนใจของเราเพื่อให้เราจดจ่ออยู่กับพระคุณความรักของพระเจ้าเพื่อเรารู้ถึงชีวิตของเราที่จะต้อง ดำเนินในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ชอบมีชีวิตที่บริสุทธิ์ปราศจากบาปเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกวินยัยทํานิสัยของเราให้ทําสิ่งที่ควรทําครับและสุดท้ายมันก็เพื่อผลประโยชน์ของเราทั้งสิน้นที่พระเจ้าดีไซน์ไว้ให้กับชีวิตของเราขอพระเจ้าไว้วพอนะครับพี่น้องในเช้าวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งซึ่งผมอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าบางท่านนะครับอยู่ในความทุกข์ยากลาบาก บางท่านมีอุปสรรคปัญหาชีวิตมากมายบางท่านต้องการการเล้าลมใจมีความเศร้าโศกเสียใจบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคร้ายแต่ขอพระเจ้าช่วยเรานะครับอย่าท้อใจครับหรือคิดที่จะยอมแพ้เพราะสุดท้ายแล้วนะครับสิ่งดีจะเกิดขึ้นกับคนที่รักพระองค์เพราะพระเจ้าทรงช่วยคนที่รักพระองค์ให้เกิดผลอันดีในทุกสิ่งอเมน